ทุติยาโอวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลวันเข ค, ครุงราชครึครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุ จงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพึงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคําพร่ำสอนโดยเคารพบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีวิริยะ ไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายคืนวันที่ผ่านมาเขามุ่งได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมย่อมอับแสงไม่เต็มดวงไร้รศศีวัดความยาวและความกว้างไม่ได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น บุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุณสมบรติทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเสื่อมในคุณสมบรติทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยข้อที่บุรุษบุคคลผู้ไม่มีศรัทธานี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีหิรินี้เป็นความเสื่อม ข้อท oh. ี่บุรุษบุคคลไม่มีอดตปะนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลเป็นคนเกียดคร้านนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีปัญญาสามนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลเป็นผู้มักโกรธนี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลผูกโกรธนี้เป็นความเสื่อมข้อที่ไม่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้เป็นความเสื่อม บุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริมีโอตตปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเสื่อมไม่ได้เลยเปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นมีแสงเปล่งปลัง่งเต็มดวงมีรัศมีเจิดจ้าวัดความยาวและความกว้างได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมา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 ข้อที่บุรุษบุคคลมีหิรินี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีโอตปะนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลปรารบความเพียรนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลมีปัญญานี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่เป็นผู้มักโกรดนี้ไม่เป็นความเสื่อมข้อที่บุรุษบุคคลไม่ผูกโกรดนี้ไม่เป็นความเสื่อม ข้อที่ภิกษุผู้กล่าวสอนนี้ไม่เป็นความเสื่อมดีละดีละกัสปะบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีเวริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมาเขาหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลย เปรียบเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมย่อมอับแสงไม่เต็มดวงไร้ราศีวัดความยาวและความกว้างไม่ได้ตลอดคืนวันที่ผ่านมาอุปมาณ้ฉันใดอุปไมข้อฉันนั้นบุคคลบางคนไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุณสรธรัมทั้งหลายตลอดคืนวันที่ผ่านมา เขาหวังได้แต่ความเสื่อมในกรูสุรธรรมทั้งหลายเท่านั้นหวังความเจริญไม่ได้เลยข้อที่บุรุษบุคคลไม่มีศรัทธานี้เป็นความเสื่อมข้อที่บุคคลไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะเป็นคนเกียจคร้านมีปัญญาสามมักโกรธผูกโกรธไม่มีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้เป็นความเสื่อมบุคคลบางคนมีศรัทธามีหิริมีโอตปะมีวิริยะ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 ปรารบความเพียนมีปัญญาไม่เป็นผู้มกโกรธไม่ผูกโกรธมีภิกษุผู้กล่าวสอนนี้ไม่เป็นความเสื่อมทุติยโอวาทสูตรที่เจ็ดจบ ติยะโอวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทสูตรที่สาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขคกรงราชเครื้ครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะ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 ในครั้งก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินธบารเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเที่ยวบินธบารเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการทรงตรจีวรเป็นวัด เป็นผู้มักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษสงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปาาารปารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรบรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุรูปใดเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงใจจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการทรงใจจีวรเป็นวัด เป็นผู้มักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษสงัด จ, จากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัด จ, จากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ ย่อมนิมนต์เธอให้นั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนอใครต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนิอาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระกระทาสักกะระอย่างนั้นในภิกษุรูปนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นนวิกะพากันคิดว่าทราบว่า ภิกษุรูปนั้นเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบินทบาดเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษสงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระ ย่อมนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรช่างเจริญจริงหนอใคร่ต่อการศึกษาแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดภิกษุผู้เป็นนวักะเหล่านั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นย่อมมีเพื่อประโยชน์เพื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน ในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระไม่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่เที่ยวบินธบดทเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเที่ยวบินธบดทเป็นวัดเป็นผู้ไม่นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ไม่ทรงไตรจีวรเป็นวัด และม่กล่าวสัรเสริญคุณแห่งการทรงไตรจีวรเป็นวัดไม่เป็นผู้มักน้อยและไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อยไม่เป็นผู้สันโดษและไม่กล่าวสัรเสริญคุณแห่งความสันโดษไม่เป็นผู้สงัดจากหมู่และไม่กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่เป็นผู้คลุกคลีด้วยหมู่และไม่กล่าวสรเสริญคุณแห่งการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ไม่ปรารบความเพียรและไม่กล่าวสันเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรบรรดาภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นภิกษุรูปใดมีชื่อเสียงมียศได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจใจเพษสัตยบริการภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระย่อมนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยคำว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไร เช่ยงเจริญจริงหนอปรารถนาแต่เพื่อนสพโรมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระกระทําสักระอย่างนั้นในภิกษุรูปนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นนว ก, กะพากันคิดว่าทราบว่าภิกษุรูปนี้มีชื่อเสียงมียศได้จีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานปัจจัยเพศสัตบริการภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระพากันนิมนต์ให้เถอรนั่งด้วยคําว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้ชื่อไรเช่างเจริญจริงหนอปรารถนาแต่เพื่อนสพพรมจารีด้วยกันแท้มาเถิดภิกษุนี้อาสนะนิมนต์ท่านนั่งเถิดภิกษุผู้เป็นนวกะเหล่านั้นย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้น ย่อมมีเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อคูณเพื่อความทุกข์แก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานกาสปะแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถูกอันตรายของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เบียดเบียนแล้วผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณถูกความปรารถนาการประพฤติพรหมจรรย์เกินประมาณเบียดเบียนแล้ว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 9. ชานาพิญญสูตรว่าด้วยชาและอภิญญาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัถีภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย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 เพราะวิตกวิจารณ์สงบรงะงับไปแม้กัสปะก็บรรุทุติยชาญละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะปิติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบ ร, รุญตติยชาญที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ชานี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะปิติจางคลายไปแม้กัสปะเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเพราะสมณัตและโทมนัตดับไปก่อน เราบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วแม้กษะสปะก็บรรลุจตุตถฌานละถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุอาการสานณาใจยตนะด้วยมณสิการว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิคะสัญญาไม่มนัสการนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสปะก็บรรลุอากาสานัญจาทตนะละถึงเพราะล่วงรูปสัญญาไม่มนสิการโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุวิญญาณัญจาทตนะด้วยมนัิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุด เพราะล่วงอากาส า, านัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็บรรุวิญญาณัญจายตนะดน้วยมณติการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดเพราะล่วงอากาส า, านัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรุอาคินจัญญาญตนะด้วยมณติการว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มี เพราะล่วงวิญญาณัญญาญัตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็บรรลุและถึงอยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะเพราะล่วงอากินจัญญาญตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็บรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะละถึง อยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราบรรลุสัญญาวเวทียิทนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญาจตนะโดยประการทั้งปวงอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสสะก็บรรลุสัญญาวเวทียิทนิโรธและถึงเราแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้ หรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝาปัาแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แย่เหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิหาไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูกคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทมากมีอนุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กสปะก็แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นกันเราได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิปและเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิปได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กสปะ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 จิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหักตะจิตไม่เป็นมหักตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็กำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตน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 แม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณนะมีอาหารเศรษสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นครั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติด้วยประการชนนี้ได้แม้กษัตริยก็ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างละถึง ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติด้วยประการชนี้ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเราเห็นหมูสัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติเลวปราณีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์นามไปดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชาติถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลาย หมูสัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแต่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทาตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมูสัตว์ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตผิวพันธ์ดีผิวพันธ์นามไปดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉันนี้ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัะสปะก็เห็นหมูสัตว์ซึ่งกาลังจุติกาลังอุบัติ ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเรารู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้กัสปะก็รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้เช่นกันชาณาพิญญสูตรที่9จบ 10. อุปสยะสูตร ว่าด้วยพระมหากัสสปะแสดงธรรมในสำนักพิษุนีเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะพักอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอาณ น, น์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวอนก็ไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหาคสปะดังนี้ว่ามาเถิดท่านคสปะผู้เจริญเราจะไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งไปเถิดท่านอานนท่านเป็นผู้มีกิจมากมีงานที่ต้องทํามากแม้ครั้งที่สองท่านพระอานน์ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหาคสปะว่ามาเถิดท่านคสปะผู้เจริญเราจะไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่ง ไปเถอะท่านอาโนนท่านเป็นผู้มีกิจมากมีงานที่ต้องทํามากแม้ครั้งที่สท่านพระอานน์ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหากระสปะว่ามาเถอะท่านกระสปะผู้เจริญเราจะไปยังสํานักของภิกษุณีแห่งหนึ่งครั้นในเวลาเช้าท่านพระมหากระสปะครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรมีท่านพระอานน์ติดตาม กข้าไปยังสำนักของภิกษุณีแห่งหนึ่งแล้วจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ลำดับนั้นภิกษุณีจำนวนมากก็ไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่กราบท่านแล้วนั่งนที่สมควรท่านพระมหากัสสปะได้ชี้แจงให้ภิกษุณีเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถา ครั้นแล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปครั้งนั้นภิกษุณีชื่อทุนละติสาไม่พอใจจึงเปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจว่าเพราะเหตุไรเล่าพระคุณเจ้ามหากรสปะจึงสำคัญธรรมที่ตนควรกล่าวต่อนหน้าพระอ น, นุนผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราบเรลองเปรียบเหมือนพ่อค้าเข็มสำคัญว่า ควรขายเข็มในสำนักของช่างเข็มผู้ชำนาญฉันใดพระคุณเจ้ามหากาสปะย่อมสำคัญธรรมที่ตนควรกล่าวต่อหน้าพระ อ, อนนท์ผู้เป็นเจ้าผู้เป็นมุนีปราเปรืองชั้นนั้นเหมือนกันท่านพระมหากัสปะได้ยินภิกษุณีชื่อทุนลติสากำลังกล่าววาจานี้จึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานน์เราเป็นพ่อค้าเข็ม ท่านเป็นช่างเข็มหรือเราเป็นช่างเข็มท่านเป็นพ่อค้าเข็มขอประทานโทษท่านกษัตริะผู้เจริญชื่อว่ามาตุคามเป็นคนข่าวหยุดเถอท่านอาน o n หมู่ของท่านอย่าด่วนสรุปเกินไปนักท่านอาน o n ท่านจะเข้าใจความข้อ น, นั้นว่ายอย่างไรท่านถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคบ้างหรือว่าภิกษุทั้งหลาย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 ท่านผู้มีอายุผมเองถูกนําเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายเราสงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ได้ตราบเท่าที่เราต้องการแม้กัสปะก็สงัดจากกามและจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานละถึง อยู่ได้ตราบเท่าที่เธอต้องการอนุปปภะวิหารสมาบัติ9และอภิญญาห้ามีข้อความที่ละไว้อย่างนี้ท่านอานนท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านถูกนำเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระภักพระผู้มีพระภาคบ้างหรือว่าภิกษุทั้งหลายเราทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอหาอสวมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้อานนท์ก็ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเช่นกันไม่ใช่อย่างนั้นขอรับท่านผู้มีอายุ ผมเองถูกนําเข้าไปเปรียบในหมู่ภิกษุเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายเราทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อนหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแม้กัสปะก็ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อนหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้เช่นกันท่านผู้มีอายุผู้ใดสำคัญผมว่าควรปกปิดได้ด้วยอภิญยาหกผู้นั้นก็ควรสำคัญช้างเจดศอกหรือเจ็ดศอกครึ่งว่าจะพึงปกปิดได้ด้วยใบตาลภิกษุณีชื่อทุนละติสาเคลื่อนจากพรหมจรรย์แล้วอุปัสยาสูตรที่1ิบจบ